เส้นทางชีวิตของคนเรามันถ้าเปรี่ยมมันถนนก็เป็นถนนที่คดเคี้ยวอันนี้เรียกได้ว่าไม่มีข้อยกเว้นเลยเส้นทางชีวิตของคนเราแต่ละคนนี่มันไม่เคยเป็นถนนที่ตรงแนวนะล้วนแล้วแต่คดเคี้ยวทั้งนั้นแม้แต่พระพุทธเจ้านะอย่างที่เราทราบเนี่ยท่านก็เกิดในวังนะเป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะ แต่พอยุคิตก้าวก็กลับมาเป็นนักพร์บาเพ็ญชีวิตยอย่างพิขาจารย์เรียกว่าเลีเ้ยวนะเคียวออกไปคดเคียวไปอีกทางหนึ่งเลยอาจจะถึงค180องศาเลยก็ได้เสร็จแล้วก็มาบำเพ็ญทุกการกิริยาแล้วก็เลี้ยวนะออกไปอีกทางหนึ่งนะเป็นเส้นทางสู่ทางสายกลาง จนกระทั่งได้ตัดสิรูปเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะถึงตอนนั้นแหละนะที่ชีวิตของพระองค์ก็จะคดเคี้ยวน้อยลงนี่ขนาดนะพระพุทธเจ้านะ่นภาษาอะไรกับพวกเราซึ่งเป็นปุถุชนชีวิตของเรานี่ไม่เพียงแต่คดเคี้ยวเท่านั้นนะมันยีงมีทางแยกอีกมากมายหมายความว่าไม่ว่าอดีตปัจจุบันหรืออนาคตเนี่ย ขี้หลอดจะแยกไปทางใดทางหนึ่งก็ได้ณนะจุดจุดหนึ่งอาจจะแยกไปซ้ายหรือแยกไปขวานะมีเหตุการณ์อย่างหนึ่งเกิดขึ้นก็อาจจะแยกไปสู่สุขหรือทุกข์เจริญหรือเสื่อมก็ได้อันนี้น่าจะหมายความว่าคนที่สมมุติว่าสามารถที่จะมองเห็นอนาคตนะอย่างเช่นหมอดูนะ ถึงแม้ว่าเขาจะมองเห็นชีวิตของคนคนหนึ่งจากปัจจุบันไปถึงอนาคตไอ้เส้นทางชีวิตนั้นเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าจะแน่นอนเสมอไปแม้แต่หมอดูที่แม่นที่สุดนะสมมุติว่ามีนะมันก็ไม่ได้ไมาเพราะไม่ได้ไมายความว่าคนคนนั้นชีวิตของคนคนนั้นนี่นก็จะเป็นไปอย่างที่หมอดูพยากรณ์เอาไว้หรือทํานายไว้ เพราะว่ามันมีทางแยกสามารถจะแยกไปอีกทางหนึ่งซึ่งไม่ตรงกับที่หมอดูได้คาดการหรือทำนายไว้ก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าหมอดูเขาทายถูกเนี่ยก็เป็นเพราะว่าคนๆนั้นเนี่ยนะเขาก็ดำเนินชีวิตไปตามที่เคยเป็นหมอดูคงจะใสาการทำนายจากพฤติกรรมในอดีต ไม่ต้องอดีตชาติแล้นะอดีตอาจจะหมายถึงชีวิตในช่วงสาสปีส0สิปีที่ผ่านมานะก็ได้นะแต่นั้นแต่ก็นั้นก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะแน่นอนเสมอไปอย่างที่เราเคยได้ยินเรื่องราวของท่านเหลียวฝานนะเหลียวฝานนี่ก็เป็นเป็นขุนนางจีนนะตอนยังหนุ่มเนี่ย ก็อยากจะรับราชการหมอดูซึ่งเก่งมากเนี่ยก็ทำนายว่าจะสอบได้แค่ขั้นนี้เท่านั้นแหละนะไม่มีทางที่จะไปถึงขั้นจองหลว น, นเหลือฝันก็เชื่อนะแล้วก็ไม่มีความภาคเพียนพยายามก็เลยเป็นไปอย่างที่หมอดูพยากรณ์เอาไว้แต่ว่าหลังจากที่ได้มาเจอคนคนหนึ่งซึ่งกระตุ้นให้เกิดความภาคเพียนวิริยะอุสาหะ นสุดก็สามารถที่จะสอบได้เกิดเลยจากที่หมอคนนั้นพยากรณ์เอาไว้นะจนกระทั่งได้เป็นจองโหน้นะอันนี้ก็เรียกว่าหักปากกานะหักปากกาเสียนนะเพราะว่าความผ่าเพี่ยนพยายามไม่ใช่หมอดูไม่ไม่ถูกนะหมอก็อาจจะดูถูกแต่ดูจากความน่าจะเป็นนะไอ้ความน่าจะเป็นเนี่ยมันก็เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนนะอย่างที่เมื่อปีที่แล้วเนี่ยคนก็ พวกเซียนบอลก็พยากรณ์ว่าเลสเตอร์ซิตี้เนี่ยมีโอกาส่จะได้แชมป์พรีเมียร์ลีกแค่หนึ่งใน 2,000 นะหนึ่งใน2 0 0พันี่มันยิ่งกว่าเขาเปรียน ม, มันก็ว่าเจอเอลวิสเนี่ยนะมีโอกาสที่จะเจอเอลวิสเป็นเป็นเนี่ยเราก็ทราบว่าเอลวิสที่ตายไปตั้งแต่ปี2 0ศเนี่ยก็มีคนเชื่อว่าเอลวิสยังไม่ตายอัตราการต่อรอง ว, ว่าในโอกาสที่จะเจอเอลวิสเนี่ยเ ป, เป็นเนี่ยหนึ่งในันก็คือว่าแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยเพราะเขาตายไปแล้ว เลสเตอร์ชิต้ก็เหมือนกันนะพวกนักพยากรณ์เขาก็ดูจากความน่าจะเป็นนะดูจากพฤติกรรมนะสถิติที่เคยเป็นแล้วก็บอกเนี่ยเลสเตอร์ิต้เนี่ยโอกาสที่ได้แชมเปี้ยนส์ลีกหนใน 2,000 ันนั่นแหละอัตราต่อรอง1ต่อ 2,000 แต่ว่ามันก็ไม่เป็นอย่างนั้นอย่างที่เราทราบเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขามีความตั้งใจเขามีความภาคเพียรพยายามนะก็ทำให้สามารถที่จะ นะเป็นที่หนึ่งเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกได้มีเรื่องเล่าในสมัยมีเรื่องเล่าในพระไตรปิฎกว่าเมืองสองเมืองจะทาําสงครามกันจะทําสงครามกันกษัตริย์เมืองแรกเนี่ยนะรู้จักฤๅษีแล้วฤๅษีคนนี้มีฤทธิ์สามารถติดต่อกับพระอินทร์ได้ฤๅษีก็เลยไปถามพระอินทร์ว่าใครจะชนะในสงครามพระอินทร์ก็บอกว่าเนี่ยเมืองแรกเนี่ยชนะแน่ กษัตริย์เมืองนั้นพอทราบจากฤาษีก็เลยไม่กระตือหรือล้นนะไม่มีการไต่ตระเตรียมไพร่พลเพราะว่าฤาษีเนี่ยไม่เคยทํานายพลาดนะจำทานายพลาดยังไงเพราะว่าได้ข้อมูลโดยตรงมาจากพระอินทร์ซึ่งก็ไม่ทราบพระอินทร์เนี่ยสามารถจะทํานายเหตุการณ์ในอนาคตได้หรือว่าพระอินทร์เนี่ยเป็นผู้ลิขิตนะอันนี้ก็ไม่ได้อธิบายเอาไว้ นะส่วนกษัตริย์เมืองที่สองเนี่ยนะก็รู้เหมือนกันนะว่าพระอินทร์ทนายว่าอย่างไรแต่ว่าไม่ย่อท้อนะก็มีการตากเตรียมฝึกฝนอ่าไพร่พ ล, ลอย่างเต็มที่พอทําสงครามก็ปกกว่ากษัตริย์เมืองที่สองชนะนะกษัตริย์เมืองแรกก็ตกใจแล้วก็โกรธนะก็ไปไล่เบีย ก, กับหรือเสียว่าทำไม ถึงทํานายผิดหรือศีก็ไปถามพระอินทร์พระอินทร์ก็พูดเสียงอ่อยๆนะว่าความบากบาั่นภาพเพียงของมนุษย์เนี่ยแม้แต่เทวดาก็ไม่อาจกีดกันได้หมายความว่าทาั้งๆที่เห็นแล้วนะว่าเมืองที่เมืองแลกนี่ชนะแน่นะแต่ว่าคาว่าเห็นแน่นมันก็ไม่เชื่มันก็ไม่ถึงกับแน่นอนทีเดียวคือมันมีทางแยกมันมีทางที่จะพลิกไปอีกทางหนึ่งได้ แต่ว่าไอการเที่จพิกไปอีกทางหนึ่งเนี่ยมันเปอร์เซ็นต์มันน้อยนะพระอินทร์ก็เลยปักฟันธงว่าเนี่ยเมืองแรกชนะแน่หรืออาจจะไม่ได้ฟันธงแต่ว่าลิขิตเอาไว้เลยนะว่าเมืองแรกชนะแน่แต่พระอินทร์ก็ยังพลาดได้เพราะอะไรเพราะว่าความเพียรของมนุษย์เนี่ยนะเป็นสิ่งที่เทวดาเนี่ยไม่อาจจะไปกีดกันขัดขวางได้เพราะนั้นเนี่ยเวลาพูดว่าเส้นทางชื่นคนเราเนี่ยมันมีทางแยกเนี่ย ที่มันแยกเนี่ยมันไม่ใช่เพราะว่ามีเหตุร้ายหรือมีเหตุดีเกิดขึ้นนะแต่มันมันอยู่ที่ความเพียรพยายามมันอยู่ที่กรรมการกระทาของมนุษย์การทาของมนุษย์เนี่ยเป็นตัวชี้ขาดนะว่าเส้นทางชีวิตคนเราเนี่ยจะไปทางไหนจะแยกซ้ายหรือแยกขวาจะไปสู่ความเสื่อมหรือความเจริญจะไปสู่ความทุกข์หรือความสุขนะอันนีนน้มันเป็นมันเป็น มันเป็นสิ่งที่เกิดกับชีวิตของคนทุกคนนะตั้งแต่อดีตปัจจุบันแล้วไปถึงอนาคตไม่ว่าตรงจุดไหนของชีวิตเนี่ยมันก็จะมีทางแยกนะซึ่งจะไปทางไหนเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับการกระทำของเราเป็นสาคัญการกระทำเหล่า น, นี้เราเรียกว่ากรรมไม่ว่าจะเป็นการกระทำทางกายวาจาหรือใจนะการรู้เช่นนี้เนี่ย มันหมายความหมมันหมายความว่าจริงๆแล้วเนี่ยเส้นทางชีวของเราแต่ละคนเนี่ยมันอยู่ที่อยู่ที่เราจะพูดว่าเราเลือกได้ก็คงไม่ผิดเลือกได้ในที่นี้มันไม่ได้หมายความว่าจะเลือกได้ทุกอย่างที่เราอยากจะเป็นนะแต่หมายความว่าอย่างน้อยๆเราเลือกได้ว่าจะสุขหรือทุกนะบางอย่างเนี่ยเราจะไม่มีทางที่จะไปเป็นอย่างนั้นได้นะเพราะว่ามันอย่างเช่นเนี่ยอยากจะได้ อยากจะเป็นตอนนี้อยากจะเป็นนักพยาศาสตร์รางวัลโนเบลเนี่ยนะมันก็คงยากะนะแต่ว่าอย่างน้อยเราเลือกได้ว่าเราจะสุขหรือทุกข์นะตรงเนี้ยเป็นเป็นมันอยู่ในวิสัยของเราทุกคนรวมทั้งจะเจริญหรือเสื่อมด้วยก็ได้มีผู้ชายคนหนึ่งตื่นเช้าขึ้นมานะก็ก่อนที่จะไปทำงาน และพาลูกไปโรงเรียนนะก็กินข้าวมีเขามีภรรยาแล้วก็มีลูกสาวอายุสิบขวบจู่ๆลูกสาวเนี่ยก็ทำแก้วน้ำตกแตกนะน้ำ ก, ก็กระจายไปทั่วพื้นพ่อก็ไม่พอใจพ่อก็ต่อว่าลูกแล้วก็ต่อว่าลูกแรงด้วยจนลูกร้องไห้แม่เห็นเช่นนี้แม่ก็เลยว่า พ่อพ่อก็เลยหันมาเถียงมาทะเลาะกับแม่ก็มีปากเสียงกันอยู่พักใหญ่นะขณะที่ลูกสาวก็ร้องโหม m ร้องไห้นะั่นแหละเพอกว่ากว่าจะรู้ตัวก็มาเลยเวลาที่จะพาลูกไปโรงเรียนแล้วพ่อก็เลยรีบขึ้นไปนะเก็บเอกสารใส่กระเป๋าแล้วก็ลงมาพาลูกนะออกจากบ้าน กรุงเทพเนี่ยนะถ้าออกช้าสัก10นาทีเนี่ยหรือ5นาทีเนี่ยมันก็หมายถึงการาเจอรถติดยาวอาจจะทำให้ไปช้าถึงครึ่งชั่วโมงก็ได้แล้วก็ปรากฏว่าวันนั้นเนี่ยเช้าวันนั้นพ่อก็พาลูกไปโรงเรียนสายนะลูกก็โทกครนะูต่อว่านะหรืออาจจะถูกลงโทษ ด, ด้วยส่วนตัวพ่อก็เดินทางต่อไปที่ทำงานปรากฏว่าถึงที่ทางานสายนะ เจ้านายมายืนคอยอยู่เจ้านายก็สีหน้าไม่ดีนะเจ้านายก็ทำหน้าไม่ดีเพราะว่ามีการประชุมนัดสำคัญกับลูกค้าไปประชุมสายไม่พอเพราะว่าเอกสารที่เตรียมมาไว้ลืมไปชิ้นหนึ่งนะเนื่องจากไอตอนที่เก็บเอกสารที่บ้านเนี่ยรีบนะเอกสารไม่ครบประชุมก็ไม่ได้เรื่อง ลูกค้าไม่พอใจเจ้านายก็ต่อว่าเช้าวันนั้นเขาก็รู้สึกแย่มากเลยนะอารมณ์ไม่ดีอารมณ์บูตรตอนบ่ายทำงานนะทำงานอยู่ก็ทำงานได้ไม่ดีนะหัวเสียมีเพื่อนมาแซวมีเพื่อนมาหยอกซึ่งก็เป็นปกติที่เพื่อนมาเซามาหยอกแต่คนนี้เขาอารมณ์ไม่ดีเขาก็เลยด่าเพื่อนก็เลยทะเลาะ ก, กันทนะเลาะ ก, กันจนก็ต้องมีต้องมีคนมาห้าม กลายไปว่าวันนั้นทั้งวันเนี่ยไม่ได้งานเลยอารมณ์เสียนะกลับไปกลับขับรถกลับบ้านโดยความที่หงุดงิดนะขุนเครื่องใจก็ประกอบว่าไปเกิดการเฉียวชนขึ้นมารถติดแน่นขนาดเขาก็ต้องรอนะต้องรอกว่าประกันจะมานะเสียเวลาอยู่นานยิ่งทำให้เขาสึกแย่เข้าไปใหญ่ ไปถึงบ้านนะก็ไปสายลูกก็ร อ, อกินข้าวกับกับพ่อพ่อก็หัวเสียนะอารมณ์ไม่ดีพอภรยาพูดไม่ถูกไม่ถูกไม่สบอารมณ์แค่คำสองคำพ่อก็ตวาดใส่เลยทะเลาะ ก, กันอีกรอบนะเป็นนั้นว่าวันนั้นทั้งวันเนี่ยทั้งบ้านไม่มีความสุขลูกก็ขึ้นนอนนะ ด้วยความรู้สึกแย่ส่วนพ่อกับแม่ก็นะไม่มีอารมณ์นะจะหลับจะนอนวันนั้นทั้งวันเนี่ยถ้าพูดภาษาชาวบ้านคือเป็นวันสวยของเขานะเป็นวันสวยของผู้ชายคนนั้นนะหรืออาจจะเป็นวันสวยของครอบครัวแล้วก็ได้แต่ถ้าดูให้ดีนะคือคนเราเนี่ยเวลาเวลาเวลาเวลาเจอเหตุร้ายเนี่ยมันมักจะเกิดอะไรซ้ำซํำๆกันอยู่บ่อยๆ หรือว่าเกิดขึ้นเรียกว่าซ้ำๆกันทั้งวันเาเรียกว่าคอซ้ำกรรมซัดแต่ถ้าเราดูจากเหตุการณ์นี้จะเห็นได้ว่านะมันเริ่มต้นจากเหตุการณ์เดียวนะก็คือลูกเนี่ยทแก้วน้ำแตกแล้วพ่อก็ว่าลูกและหลังจากนั้นเนี่ยมันก็เลยเกิดเหตุร้ายตามมาเป็นลูกโซ่มันเริ่มจากจุดๆเดียวคล้ายๆกับเวลาเรา กลัดกระดุม嘛นะถ้าเรากัดผิดกระดุมแรกนะไอ้กระดุมที่สองที่สามสีมันก็ผิดไปเรื่อยเนี่ยชี่งคนเราเนี่ยนะเวลาพูดถึงว่ามันสวยนะมันเป็นอย่างนั้นนะ่ะคือมันไม่ใช่ว่ามันประดังประเดยเข้ามาแต่มันเริ่มต้นจากจุดเล็กๆจุดหนึ่งแล้วก็ตามต่อเนื่องกันไปเป็นลูกโซ่แต่ถามว่าที่มันเป็นความเป็นวันสวยของผู้ชายคนนั้นเนี่ยมันเป็นเพราะว่า ลูกสาวเนี่ยทําการน้ําตกจริงหรือเปล่าสมมุติว่าเราย้อนเหตุการณ์ไปใหม่นะเรากรอนะเรากรอหนังกลับไปลูกสาวทําแก้น้ําตกนะพ่อนี่ก็ฉุนนะแต่ว่ามีสติมีสตินะยับยั้งใจไว้ได้ก็ไม่พูดว่าลูกนะอาจจะพูดแนะนําลูกดีๆนะว่าให้กินอย่างระมัดระวังทั้น่อยนะเวลา ตักเวลาถือแก้วเนะี่ยก็ให้มีสตินะก็จะไม่มีการทะเลาะบอกแหวงกันระหว่างสามีกับภรรยาพ่อกับแม่ถึงเวลาที่จะพาลูกไปโรงเรียนเขาก็ขึ้นไปเก็บเอกสารก็เก็บได้ครบเพราะว่าไม่ต้องรีบเนื่องจากเผื่อเวลาไว้แล้วนะออกจากบ้านตรงเวลาเพราะฉะนั้นรถก็ไม่ติดก็ไปส่งลูก ทันแล้วก็ไปถึงที่ทํางานตรงเวลาเข้าประชุมนะได้ตรงเวลาเนื่องจากเอกสารเตรียมมาพร้อมแล้วนะการประชุมก็เลยสําเร็จเจ้านายก็ชมเขาก็มีความสุขตอนบ่ายเนี่ยเขาก็มีกําลังใจในการที่ทํางานเพราะว่าทํางานสําเร็จตั้งแต่เช้าเพื่อนมาหยอกลาะเขาก็หยอกกลับนะก็เป็นอันว่านะ ความสมัมพันธ์กับเพื่อนก็เป็นไปได้ด้วยดีวันนั้นทั้งวันเขาทำงานได้ดีนะได้งานถึงเวลาขับรถกลับบ้านนะเนื่องจากเขาไม่งุนงินไม่หัวเสียก็ไม่เกิดอุบัติเหตุขึ้นถึงบ้านตรงเวลาหน้าตาก็ยิ้มแย้มแจ่มใสถึงเวลากินข้าวนะก็คุยกันหยอกล้อกันสนทนากันกันกบตามภาษาพ่อแม่ลูกกันได้อย่างเรียบราบรื่น ก็เป็นแล้ววันนั้นทั้งวันทุกคนมีความสุขเหตุการสองเหตุการเนี่ยนะภาพสองภาพเนี่ยมันตรงข้ามกันเลยนะ จ, จุดเปลี่ยนอยู่ตรงไหนนะจุดสาคัญอยู่ตรงไหนจุดชี้ขายอยู่ตรงไหนจุดชี้ขายไม่ได้อยู่ที่ว่าลูกทำแก้วน้ำตกแต่จุดชี้ขาอยู่ที่ว่าพ่อเนี่ยมีสติไม่โกรธลูกไม่ว่าลูกนะนี่คือเป็นจุดที่พ่อเนี่ยสามารถจะเลือกได้ นะเวลาเจ้าน้ําลูกทกําการน้าตกเนี่ยพ่อสามารถจะเลือกได้ว่าจะด่าลูกหรือว่าจะไม่ด่าลูกจะพูดกับลูกดีๆนะมันเลือกได้นะไม่ใช่ว่าพอลูกทกําการน้ําตกพ่อจต้องด่าอย่างเดียวเลยไม่ใช่พ่อเนี่ยเลือกได้นะว่าจะด่าหรือไม่ด่าและถ้าไม่ด่าก็เพราะมีสติ แต่สมมติว่าเอพลิไปแล้วนะด่าลูกไปแล้วนะ้วก็ทำให้ไปโรงเรียนช้าไปส่งลูกช้าไปถึงที่ทำงานช้านะแต่ว่าถ้ายังมีสติอยู่น ะ, ะถึงแม้ถูกประชุมไม่ได้เรื่องถูกเจ้านายตำหนิก็ไม่เป็นไรเรื่องต้นใหม่เช้าวันนั้นมันแย่ไปแล้วไม่เป็นไรผ่านไปเราตั้งสติให้ดีตอนบ่าย นะเพื่อมาหยอกล้อก็คงจะไม่ไปด่าเพื่อนกลับนะเพราะว่ า, าวางนะปล่อยวางไอ้เรื่องเมื่อเช้าลงไปแล้วก็สามารถจะทำงานได้ปกตินะไม่มีเรื่องทะเลาะ ก, กับเพื่อนขับรถกลับบ้านก็ไม่มีอุบัติเหตุอะไรเกิดขึ้น แล้วพอไปถึงบ้านก็ทุกอย่างก็เรียบรื่นราบรื่นนะงั้นจะเห็นได้ว่าแม้พลาดไปแล้วนะในตอนเช้าแต่ก็ยังมีทางเลือกเป็นทางแยกว่าจะปล่อยให้บ่ายนั้นเนี่ยมันพังไปด้วยหรือว่ามันเสียแต่ตอนเช้าแต่ตอนบ่ายไม่พังนะก็ยังประคับประคองเอาไว้ได้หรือถึงแม้ว่าเกิดพลาดไปแล้วนะทะเลาะกับเพื่อนไปแล้ว แต่ว่าไม่เป็นไรมันผ่านไปแล้วถึงเวลากลับบ้านนั่งรถอ่ขับรถอย่างมีสติก็ไม่เกิดอุบัติเหตุกลับไปถึงบ้านก็ตรงเวลาแล้วก็สามารถที่จะคุยกับอ่าภรรยาและลูกได้อย่างปกตินะไม่เอาเรื่องราวที่เกิดขึ้นในตอนเชา้าตอนบ่ายมาเป็นอารมณ์นะข้าววันนั้นก็อาจจะจบอย่างอ่าราบรื่นก็ได้ รือเกิดอุบัติเหตุขึ้นไปแล้วนะที่บ้านที่ในตอนในตอนค่าในตอนที่นั่งรถกับขับรถกับบ้านเกิดอุบัติเหตุพ่อปล่อยจะให้หงุนงิดแต่ว่าก็ยังมีสตินะแม่เป็นไรมันผ่านไปแล้วถึงเวลากลับบ้านแล้วก็อยู่กับลูกนะอยู่กับเมียก็ให้มีสติเอาไว้เย็นนั่นคืนนั่นก็อาจจะทุกอย่างก็ จ, จะราบรื่นไปได้เหมือนกันที่พู้บาทั้งหมดเนี่ยเพื่อเชื่อให้เห็นว่า ในชื่อของเราเนี่ยเดีย๋ยวว่าแต่ปีหนึ่งเดีย๋ยวว่าแต่หลายๆปีแล้วแค่ในหนึ่งวันเนี่ยมันก็มีทางแยกที่จะแยกไปสู่สึกหรือทุกข์ก็ได้นะแม้จะมีเหตุการณ์ไม่ดีเกิดขึ้นเราก็ยังเลือกได้ว่านะจะสุขหรือจะทุกข์นะเราเลือกได้ว่าเราจะมีปฏิกิริยากับเหตุการณ์นั้นอย่างไรนะลูกทําแก้วน้ําแตกนะแต่ว่า ถ้าเราเป็นพ่อเราก็เลือกได้ว่าเราจะโกรธโมโหชุนเชียวหรือว่าเราจะอะตั้งสติให้ดีแล้วก็ให้มันผ่านไปโดยที่ไม่ต้องมีเรื่องมีราวนะซึ่งก็ช่วยให้ช่วงเวลาหลังจากนั้นเนี่ยมันก็เป็นไปอย่างราบรื่นได้ในหนึ่งวันของคนเราเนี่ยนะไม่ว่ามีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยไม่ว่าดีหรือร้ายเนี่ยเราสามารถจะเลือกได้นะ ว่าจะไปสู่ความทุกข์หรือความไม่ทุกข์นะอันนี้รวมไปถึงว่าเวลาเกิดเหตุร้ายที่หนักๆด้วยนะไอ้ที่ลูกทำแก้วน้ำแตกนี่มันก็ถือเป็นเรื่องเล็กน้อยนะแต่ถึงแม้เล็กน้อยเนี่ยบางคนก็ก็เสียส่วนไปละนะแล้วก็ทำให้วันทั้งวันเนี่ยแย่มนแย่ไปแต่ถึงแม้ว่ามีอะไรที่มันหนักกว่านั้นนะเช่นเจ็บป่วยงานการล้มเหลวหรือว่า พ, พลาดพสูญเสียนะจากของรักนะีเราก็ยังเลือกได้นะว่าเราจะทุกข์หรือว่าเราจะสุขบางคนเนี่ยเจ็บป่วยนะแต่ว่าเขาทําใจได้ก็จะคิดว่าเออโชคดีนะที่เรามารู้ตอนนี้อย่างมีหมอคนนึงเนี่ยเพราะว่าตัวเองเป็นมะเร็งนะแต่ก็ยังสามารถจะยิ้มได้เพราะบอกว่าเออโชคดีที่เรามารู้ว่าเป็นมะเร็งระยะที่สอง เรายังมีเวลาที่จะเตรียมตัวเรามีเวลาที่จะรักษาดีถ้าไม่ดีนะที่ไม่มาลุกตอนเป็นมะเร็งระยะที่สามที่สี่แต่บางคนเนี่ยพอว่าเป็นมะเร็งเนี่ยโอ้โหยตีอกชกหัวกุ้มหมอกุ้มใจกินไม่ได้นอนไม่หลับเนี่ยมันไม่ใช่ว่าพอเป็นพอลุกขาวพอว่าเป็นมะเร็งแล้วเนี่ยชีวิตจะต้องทุกข์เสมอไปคนที่เขาไม่ทุกข์ก็มีไม่ใช่เพราะเป็นความบังเอิญแต่เพราะเขาเลือกที่จะไม่ทุกข์เนี่ย พเขามองว่ามันเป็นธรรมดาเขามองว่าเออโชคดีนะที่เรามารู้ตอนนี้นะหรือว่าเขาอาจจะมองว่าเออมันถึงเวลาแล้วที่เราต้องพักนะไอความเจ็บป่วยทำให้เขาเข้าหาธรรมะซึ่งในภายหลังก็ทำให้เขาเนี่ยมีความสุขแม้ยังเจ็บยังป่วยอยู่ อย่างที่มีหลายคนบอกว่าเออโชคดีที่เป็นมะเร็งนะเพราะมะเร็งทำให้ฉันเนี่ยได้มารู้จักธรรมะนะถ้าไม่เป็นมะเร็งก็อาจจะยังปล่อยชีวิตให้มันว่างเปล่าไร้ประโยชน์หรือว่าเอาแต่ทำงานทำการไม่รู้จักความหมายของชีวิตที่แท้จริงบางคนงานล้มเหลวนะแล้วก็เลยกลุ่มอกกุ่มใจโมโหผ่านดา่าคนนั้นโทษคนนี้แต่บางคนพองานล้มเหลวแล้วเออ มาดูซึ่ว่าเราผิดพลาดตรงไหนนะหรือว่าทำให้เกิดความพาพเพียงพยายามมากขึ้นคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตเนี่ยจะว่าไปแล้วแทบทุกคนเนี่ยล้วนแล้วแต่เจอความล้มเหลวที่หนักๆทั้งสิน้นนะอย่างโอลิมปิกคราวนี้เนี่ยก็มีดาวเด่นคนขึ้นมาคนหนึ่งนะนะโจเซฟสคูลลิงนะชาวสิงคโปร์สามารถเอาชนะไมเคลิลเฟลได้เฟลนี่ก็ถือว่าเป็นเป็นยอดแหง การว่ายน้ำนะและถ้าถ้าถ้าผีเสื้อเขาก็เก่งด้วยเป็นของเป็นท่าโปรดของเขาเป็นไม้ตายเขาเลยแต่กับแพป้โจเซฟส์คุลลิงซึ่งเป็นคนนี้เป็นเด็กกว่าด้วยซ้ําโจเซฟนี่ดังมากเลยนะเพราะว่าชนะไมเคิลเฟลได้ในท่าที่เป็นสุดยอดของเฟลเขาบอกว่าดูสาวกลับไปดูช่วยเขานะโอลิมปิกคราวที่แล้วเนี่ย ที่ลอนดอนเนี่ยเขาตกรอบนะเสียหายมากเลยนะไม่ใช่เขารอบนะตกรอบแต่การตกรอบในแทนที่จะทำให้เขาท้อแท้เขากลับเกิดเกิดความพยายามมากขึ้นพยายามทบทวนว่าพลาดตรงไหนแล้วก็พยายามปิดจุดอ่อนตรงนั้นอันนี้ก็เหมือนกับโปรเมนะเอริยาเนี่ยปีนี้ได้แชมป์มห า, าแชมป์ละแต่คนสยามไม่รู้นะ้สามปีที่แล้วนี้เขาตกต่ํามากเลย ตกต่ำเรียกว่าเรียกว่าอยู่ในอันดับที่ห้าสิบหรือเป็นร้อยเลยนะแต่ว่าไอ้ความตกต่ำเขา้าความล้มเหลวแพ้ของของเขาเนี่ยเมื่อสามปีที่แล้วนี่มันกลายเป็นเป็นจุดที่ทำให้เขาเนี่ยสามารถจะมาเป็นแชมป์ทุกวันนี้ได้เพราะว่าเขาเห็นเขาได้เรียนรู้ว่าเขาผิดพลาดตรงไหนแ่้เธอเคยบอกว่าเนี่ยโชคดีนะที่ที่ ไปเจอเอาช่วงแย่ๆเนี่ยเมื่อสามปีที่แล้วเธอบอกว่าคนเราเนี่ยมันย่อมมีชีวิตบางช่วงที่ตกต่ำย่ำแย่แต่เธอโชคดีที่มาแย่เอาตอนที่เธอยังยังเด็กคืออายุแค่สิบแปดสิบก้าก็เลยทำให้มีเวลาที่จะเรียนรู้แล้วก็ก้าวข้ามอุปสรรคเนี่ยาที่บางคนเนี่ยพอล้มเหลวเนี่ยนะชีวิตก็เลยย่ำแย่ไปเลย นะท้อแท้ท้อถอยเสียผู้เสียคนบางทีก็ไปเข้าไปหายาเสพติดนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างวนะ่าคนเราเนี่ยแ ม, แม้จะเจอเหตุการณ์เลวร้ายนี่แต่เราเลือกได้ว่าจะสุขหรือทุกนะเลือกได้ว่าจะใช้สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยนะนำไปสู่ความเจริญหรือว่าปล่อยให้มันนะย่ำยนะีคนบางคนเจอความทุก ผิดหวังอกหักก็เลยเข้าไปหาเล่านะไปหาอบายามุขแต่บางคนมันทําให้เข้าเข้าหาวัดเข้าหาธรรมะคนหนึ่งเนี่ยชีวิตย่ําแย่ยิ่งกว่าเดิมแต่คนหนึ่งเนี่ยเจอเหตุการณ์แบบเดียวกันแต่ว่าชีวิตกลับอาจจะเลยงอกงามกว่าเดิมอันเนี้ที่อาาตมาเรียกว่าเป็นทางแยกนะเป็นทางแยก ไม่ว่าเราเจออะไรก็ตามเนี่ยมันสามารถจะแยกไปซ้ายไปขวาได้คือสุขหรือทุกข์นะเจริญหรือเสื่อมทุกเหตุการ์เลยนะไม่ว่าดีหรือร้ายนะทุกจุดของชีวิตเนี่ยเราเลือกได้นะอันนี้เป็นเรื่องกรรมละนะเป็นเรื่องกรรมเรื่องการกระทำนะไม่ว่ามันจะเป็นความเจ็บป่วยไม่ว่าจะเป็นความล้มเหลวความพัดพาสูญเสีย จากคนรักไม่ว่าจากเป็นหรือจากตายล้มละลายนะีตรงจุดนั้นเนี่ยเราเลือกได้ว่าจะทุกข์หรือสุขและสิ่งที่ช่วยให้เราเลือกได้ว่าจะสุขหรือไม่ทุกข์เนี่ยนะสิ่งสําคัญคือสตินะตั้งสติได้มันก็ทําให้อย่างน้อยๆเนี่ยก็ไม่ปล่อยใจตกต่ําย่าแย่นะจนกระทั่ง ไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งนอกจากเล่ายาเสพติดนะหรือว่ า, าประชดตัวเองด้วยการปล่อยให้จมตกไปแอบายความทุกข์เนี่ยสำหรับคนคนหนึ่งเนี่ยนะมันสามารถจะผลักไปสู่ความทุกข์ซ้ำสองหรือว่าซ้ำสามยิ่งกว่าเดิมก็ได้นะแต่ว่าในเวลาเดียวกันความทุกข์อย่างเดียวกันเนี่ยมันสามารถจะกระตุ้นผลักดันลุนส่งให้เราเนี่ย ไปสู่ชีวิตที่จเจริญงอกงามจนออกจากทุกข์ได้ความทุกข์เนี่ยนะมันสามารถจะเวี่ยงเรานะให้จมอยู่ในอบายมากขึ้นหรือว่าสามารถที่จะเวี่ยงให้เราออกจากทุกข์ก็ได้นะมีเรื่องราวมากมายเกี่ยวกับบุคคลในศาสนาพุทธการที่พอเจอความทุกข์แล้วเนี่ยชีวิตเนี่ยกลับดีขึ้นอย่างนางปตจลา นะนางกีสาวโคตมีเนี่ยเสียคนรักนะเรียกว่าแทบจะไม่อยากเป็นผู้เป็นคนเลยทีแรกนะแต่ว่าเนื่องจากได้กาลยานามิตร ด, ดีไอความทุกข์ที่เกิดขึ้นก็เลยกลายเป็นอุปกรณ์สอนธรรมนะทำให้เห็นสัจธรรมความจริงของชีวิตนะจนทั้งได้กลายเป็นพระรยาบุคคลแล้วก็กลายเป็นพระอรหรันตะ์ไอจุดจุดหัวเรื่องวต่อนะ ที่จะทำให้ที่ทําให้ท่านเหล่านั้นเนี่ยแทนที่จะตกต่าย่าแย่เนี่ยแต่ว่ากลับกลายเป็นพระิยาบุคคลได้เนี่ยก็คือการที่มีสตินะมีสติตั้งหลักได้นะเราก็เลยสามารถประคับประคองรักษาใจแล้วสตินั้นเองก็ทําให้ได้เห็นธรรมะนะเกิดปัญญานะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะ เ, เวลาเวลาเราเจออะไรที่เกิดขึ้นกับชีวิตเราแรงๆเนี่ย มันไม่ได้แปลว่าเราจะต้องแย่เสมอไปเราเลือกได้ว่าเราจะปล่อยให้จิตใจหรือชีวิตเนี่ยลงไปสู่ความทุกข์ความตกตามยแย่ยิ่งกว่าเดิมหรือว่าจะสามารถนะก้าวขึ้นมาออกจากความทุกข์หรืออาศัยความทุกข์นั่นแหละนะเป็นเครื่องกระตุน้นผลส่งให้ชีวิตเนี่ยพลิกเปลี่ยนไปในทางที่ดีมากขึ้นความทุกข์นี่มีประโยชน์นะนะหลวงพ่ออมเกลนท่านบอกว่าเนี่ย เป็นทุกก็พ้นทุก์ซึ่งนี้ก็เป็นสีทที่พระเจ้าสอนนะว่าทุกเนี่ยมีไว้เพื่อให้รู้ต้องใช้คำว่าปริญญาบางทีก็ไปวําหนดรู้แต่พราะกำหนดรู้หรือเพราะว่ารู้ทุกอย่างทั่วถึงนั่นแหละนะจึงสามารถจะพ้นทุกได้นะเข้าถึงนิโรธได้ทุกเนี่ยเป็นเป็นประตูไปสู่นิโรธนะซึ่งเป็นอริยสัจข้อที่สามงั้นถ้าไม่เจอทุกเนี่ย จะเข้าใจทุกจะเห็นสมุทยัยแล้จะเข้าถึงนิโรธได้อย่างไรนะคนที่ไม่เจอทุกเลยเนี่ยนะก็ยากนะที่จะเข้าถึงนิโรธได้แต่ที่จริงแล้วเนี่ยไม่ไม่เอาใครก็ต้องเจอทุกทั้งนั้นแหละอยู่ที่ว่าจะใช้ทุกอย่างไรหรือเกี่ยวข้องกับทุกอย่างไรนะซึ่งอันนี้เป็นอยู่เป็นเรื่องที่เราเลือกได้นะเราจะปล่อยให้ทุกมันเล่นงานบีทาอะยัมยีบีทาเรา กดเราให้ต่าหรือว่าเราจะอาศัยความทุกเนี่ยนะเป็นอุปกรณ์สอนทมให้เรานะหลุดพ้นจากความทุกได้อันนี้อยู่ที่เราเลือกนะอาคำนี้ก็พูดกันเท่า น, นี้อัมกา